พุทธะะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมุทธะนะโมพุทธะปะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมุทธะนะโมพุทธะปะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมุทธะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตะสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าพระองค์นั้นณ <c oughs> าบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันตั้งใจนั่งสมาธิการนั่งสมาธินี้มีมาตั้งแต่ครั้งพระพุท ธ, ธเจ้า ไม่ใช่ว่ามาลิเริ่มเอาใหม่วันที่พระพุทธเจ้าของเราจะได้ตรัสลูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นพระพุทธเจ้านั่งกรรมฐานนั่งสมาธิใต้ต้นไม้โพที่คนเรา นับถือต้นไม้โพว่าเป็นต้นไม้ที่พระพุท ธ, ธเจ้าได้อาศัยล่มเงานั่งกรรมฐานภาวนา <c oughs> จนได้ตรัสรู้เป็นพระพุท ธ, ธเจ้าต้นไม้ต้นนี้อยู่ประเทศอินเดียแต่เมื่อพระพุท ธ, ธเจ้าตรัสรู้แล้วความนับถือต้นไม้โพก็ทั่วไป บรรดาพุทธบริษัทในทางพุทธศาสนาเคารพนับถือยึงมีระเบียบธรรมเนียมนั่งสมาธิภาวนามาแต่คืนวันที่พระพุทธเจ้านั่งสมาธินั้นเป็นความตั้งใจอย่างสูงตั้งใจแน่วแน่ตั้งใจเด็ดขาด ไม่ใช่นั่งเล่นเล่นพระองค์นั่งเสีสลัดทุกสิ่งทุกอย่างเสียสลัดมาตั้งแต่สเสด็จออกบรรพชาอายุยี่สิบเก้าปีก็ยังไม่เท่ากามเวลามาเสีสลัดภาวนานั่นอีก จึงเป็นประวัติสืบมาว่าการนั่งสมาธิภาวนาเป็นหลักปฏิบัติอันหนึ่งในทางพุทธศาสนาคือว่าคืนนั้นความจริงก็คือว่าตั้งแต่ฉเฉวยอาหารของนางชุชาดาแล้วก็มาหาตนไม่พนั่นแหละ เมื่อมาถึงต้นไมโพนั้นแล้วก็ชอบพระไทยชอบใจว่าร่มไม้ต้นนี้แหละจะเป็นต้นไม้ที่เรียกว่าช่วยให้พระองค์ได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจา้าในบ่ายเย็นเย็นวันนั้นมีแขกเลี้ยงโคอยู่คนหนึ่งมาเห็นท่าน ไม่ไปไหนตลอดวันก่อนนึกว่ า, า, วาพระฤาษีตนนี้คงนอนที่นี่แน่ๆไม่ไปไหนแขกคนนั้นก็มีศรัทธาไปเกี่ยวเอายาคามาได้แปดกรรมเอามาน้อมถวายพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็รับเอายาคาตั้งแปดกรรมนั่นแหละ มาปูที่นั่งสมาธิภาวนาด้านตะวันออกของต้นไมโพนั้นแขกมีความประสงค์จะให้นอนแต่พระองค์ไม่ตั้งใจอย่างนั้นว่าคืนนี้เป็นคืนที่ภาวนาอย่างฉียสละทุกอย่างถ้าไม่ได้ตรัสลูกก็ภาวนาตาย ไม่ต้องกินไม่ต้องนอนไม่ต้องอะไรทั้งนั้นแหละพระองค์ก็เอาย่าคาทั้งแปดกรรมมาคลี่กลับไปกลับมาสลับกันไปมาจนหมดเอาเป็นที่นั่งเท่านั้นเพื่อกันชื้นเพราะว่าเดือนหกแผ่นมันก็ย่างเข้ารดูฝนถต่าบางปีมันก็ชื้นไปหมดแหละ แต่ว่าอย่างปีนี้นั่นเดือนหกก็ยังไม่ชื้นเท่าไรเมื่อพระองค์ได้หญ้าคาเท่านั้นแหละไม่มีเสือสาดอาสนะใดๆเอาหญ้าคาเป็นที่นั่งเอาลกขมูลล้มไม้โพเป็นล้มเงาถ้าฝนตกก็เปียก แล้พระองค์ก็เอาที่นั้นแหละเป็นที่นั่งกรรมาฐานภาวนาเมื่อได้โอกาสแล้วพระองค์ก็เข้านั่งขัดสมาธิเพชรคาว่าขัดสมาธิเพชรนั้นให้พากันดูหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเชียงแสนที่ถ้าเหล่านี้มีอยู่หลายองค์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 ไม่ลกไปที่ไหนถ้าไม่ได้ตรัสสลูเป็นตระพุทธเจาก็ยอมตายในที่นั่งนี่แหละแม้เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่นหนังหุ้มกระดูกก็ตามทีอย่าไม่ลกไปมาในที่ใดๆทั้งนั้นเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งสัตว์อธิฐานกิเลสมานสังขารมานขันธมานก็วุ่นวายที่สุดแต่พระองค์ไม่หวั่นไหวพระองค์เอาตายสู้พระองค์ก็เลือกเอาอุบายภาวนาว่าจะเอาอุบายใดภาวนาเพราะว่าคำว่าพระพุทธเจ้าหรือพุทโธนั้น พระพุทธเจ้าเองก็ยังไม่ได้ตรัสแต่ว่าบำเพ็ญบรารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากับครบท่วนแล้วเต็มบริบูรณ์แล้วยังเหลือโยแต่ตรัสสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธียานเท่านั้นพระองค์ก็เลือกได้ว่าลมหายใจอนาปาลมหายใจเข้าออก เอาลมหายใจเข้าออกในละมัดจิตใจไว้หรือว่าเอาจิตใจมาเพ่งอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกลมที่เข้าไปมีความรู้สึกนั่นคือจิตลมออกมามีความรู้สึกว่าลมออกมานั่นคือจิตแหละพระองก็ตั้งลงไปที่จิตใจดวงผู้รู้ว่าลมเข้าออก โยสุนกลางรูนั่นเองลมหายใจมีหน้าที่ <c oughs> สูดลมหายใจเข้าไปเลี้ยงร่างกายโดยปอดเมื่อสูดเข้าไปแล้วปอดก็ทายเทลมหายใจเก่าออกมาทิ้งสูดเอาลมหายใจใหม่เอาออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงร่างกาย จิตของพระองค์ก็แน่วแน่มั่นคงอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนี่แหละลมหายใจเข้าออกจึงเป็นอุบายพาวนาของพรพพุติเจ้าของเราแม่เราทั้งหลายทุกคนก็มีลมหายใจเข้าออกเหมือนกันแต่เราไม่ตั้งใจกำหนดลมหายใจให้มันแน่นอนจึงไม่ได้สำเร็จมรคขน ส่วนพระพุทธเจ้าของเรานั่นเรีว่าพระองค์กั้นจิตใจไม่ให้คิดไปที่อื่นเหมือนแต่เก่าก่อนมาไม่ให้ไปเอาลมหายใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวรู้ว่าลมหายใจเข้ารู้ว่าลมหายใจออกสติของพระองค์ก็ลอกคอบระวังจิตใจระวังทั้งกายวาจาจิตหมดทุกอย่าง ไม่ให้มันไหวหวั่นท่านพรงต่อเหตุการณ์ไดๆเจิตใจของพระองค์ก็แน่วแน่มั่นคงไม่วอกแวกวันไหวสั่นสะเทือนนามพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็เหมือนแผ่นดินโบราณอาจารย์ทั้งหลายท่านจึงเขียนรูปผู้หญิงผมยาวลีดน้ำผมไล่พยามานไป ก็คือใจของพระองค์วางเฉยเหมือนแผ่นดินความเจ็บปวดทุกขเวทนาอันเกิดมีขึ้นในโูกปะขันพระองค์ไม่เกี่ยวหน้าที่อย่างเดียวคือพระองค์เพ่งลงไปสู่จุดลมหายใจดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่รู้ว่าลมหายใจเข้าออกยาวสั้นหยาบละเอียดอันใดอยู่ตลอดเวลานั้น กำลังจิตใจของพระองค์เพ่งเล็งอยู่นั่นเองจิตใจก็รวมสงบ <c oughs> ลงเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเป็นสมาธิอย่างต่ำเป็นสมาธิอย่างกลางเป็นสมาธิอย่างสูงสุดไม่หวาดสะดุ้งกลัวภยัยใดๆทั้งนั้นนั่นแหละพระพุทธเจ้า ท่านรวมใจลงไปในลมหายใจเข้าออกเราทุกคนก็รวมลมหายใจเข้าไปก็ได้เหมือนกันเพราะเราก็มีลมหายใจแต่ท่านก็ให้นึกพุโทโธทุกลมหายใจเข้าออกหรือนึกกุบายได้ทุกอย่างทุกประการในหลักกรรมฐานสมถกรรมฐานนั่น ท่านว่ากรรมฐานมีอยู่สิบสี่สิบข้อหรือว่ากรรมฐานสี่สิบห้อเป็นน้องอนาปาอนาปาลมหายใจนี่ <c oughs> สำคัญเพราะถาดลมมันเคลื่อนไหวไปมาเข้าออกอยู่ตลอดเวลาถ้าเราทุกคนกำหนดลมหายใจของตนได้ ไม่ปล่อยให้จิตเลอะเทอะไปตามอารมณ์กิเลสจิตใจนั้นก็จะแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลถ้าบุญบรารมีเก่ามีบุญบรารมีใหม่ทำอยู่อาจสามารถได้สำเร็จมรรคผลถึงซึ่งนิพพานตามสเสด็จพระอริยสงสาวกพระพุทธเจ้าได้ทางนั่น แน่นั่นจึงให้พากันทำความปรีติยินดีในการที่เราได้มาปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่ในเวลานี้จงตั้งใจให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความยินดีพอใจในการปฏิบัติบูชานี้ สร้างศรัท ธ, ธาความเชื่อศรัท ธ, ธาแปลว่าความเชื่อความเลื่อมใสในใจให้เกิดมีขึ้นให้เต็มที่คนเหล่านั้นไม่ว่าจะทำกิ จ, จกรรมการงานใดๆก็ตามถ้าศรัท ธ, ธาความเชื่อในสิ่งที่ตนประกอบกระทานั้นเชื่อแน่วแน่มั่นคงแล้วทำอะไรก็สำเร็จได้ เพราะศรัทธาความเชื่อนี้เป็นหลักสำคัญศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเรียกว่าพลระทั้งห้าเมื่อภลระกำลังทั้งห้านี้แหละมีในจิตใจของผู้ปฏิบัติแล้วย่อมไม่ท้อถอยดูพระพุทธเจ้าในคืนวันนั่นเอง พระองค์ก็ได้ตรัสสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกพระองค์ตรัสสู้เองภาวนาเองละกิเลสความโกรธตัดกิเลสความโกรธได้ด้วยพระองค์เองตัดกิเลสความโลภได้ด้วยพระองค์เองตัดกิเลสความหลงได้ด้วยพระองค์เอง กิเลสพันหา้าตันหารอยแปดหรือว่ากิเลสในโลกมนุษย์สโลกเทวโลกกุมาโลกโลกใดก็ตามพระพุทธเจ้าเลิกได้ละได้ตัดเด็ดขาดลงไปในหัวใจของพระองค์จึงได้พระนามว่าพุทธโธพระพุทธเจ้าได้อุบัติบังเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ ต่อมาพระองค์ก็สเสด็จไปโปรดปัญเจเวศวคีลือสีทั้งห้าให้ได้สำเร็จมรรคผลถึงซึ่งนิพพานให้สาวกทั้งห้าองค์นั้นไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วไปในโลกสมัยนั้นส่วนพระพุทธเจ้าของเราก็ไปด้วยพระองค์เอง พระพุทธเจ้านั้นเมื่อพระองค์ได้ตดรัสสรุแล้วมีกิจอยู่ห้าประการแล้ ว, ว่าพุทธกิจห้าประการของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่มาตรัสสรุแล้วทั้งที่เป็นอดีต ท, ทั้งที่เป็นอยู่ปัจจุบันและจะเป็นไปในอนาคตต่างกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นั้น มีกิจห้าอย่างตอนเช้าเสด็จโปรดสัตว์ในทางบินทบาทได้ ว, ว่าโปรดสัตว์ในทางบินทบาทตอนบ่ายบ่ายเย็นเย็นตรัสพระธรรมเทศนาสอนอุบาสกอุบาสิกาชัทาชาวบา้านมาฟังธรรมที่วัด พระองค์ก็เสด็จไปตัดพระธรรมเทศนาสอนตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สูงสุดเป็นกิจของพระพุทธเจ้าตอนพบข่าอย่างเราท่านทั้งหลายมาณเีลานี้เรียกว่าปโดเซฟิกูโอวาดังพระองค์ก็ประทานโอวาทแก่พระภิกษุสงฆ์ ภิกษุภิกษุณีสามมันเณรสามมันเณรลีผ้าขาวนางชีลือสีผู้สละจาครวะายาดโยมแล้วไม่เกี่ยวกเกาะกังวลด้วยอารมณ์ค <c oughs> ารวะมาปฏิบัติบูบชาภาวนาทุกคืนพระองค์กม็มาตัดสอนสมาธิภาวนาให้ สาวกทั้งหลายก็ตั้งใจฟังด้วยดีเมื่อเสร็จแล้วก็เลิกลาไปเดินจมกลมบ้างนั่งสมาธิภาวนาชำละจิตใจของตนของตนให้บริสุทธิ์ของใสจนถึงขั้นได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งขณิฐานสาวกในครั้งพุทธกาลอน้นทันตั้งใจ หลังจากภะษาวกเลิกลาไปแล้วกิจอีกอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าของเราก็คือว่าแก้ปัญหาของเทวดาอัธรเตเทวปัญหาหนังคำว่าเทวะเทวดาตั้งแต่ภูมิเทวดาจาตุมมหาลาจิกาขึ้นไปตลอดจนถึง ท่านพรมเรียกว่าแก้ปัญหาของเทศของเทวดาพยาอินพยพรมคือว่าทยาอินพยพรมนั้นตอนเที่ยงคืนมีโอกาสก็มาฟังธรรมพระพุทธเจ้าคือว่าเทศนาให้เทวดาฟังหรือใครมีความขัดข้องสงสัยอย่างไรก็มา ถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นไม่มีไม่มีติดขัดและไม่มีทางที่จะเทวดาจะมาเอาชนะได้เพราะพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในทางสติสมาธิปัญญาในทางมรรคผลนิพพานในโลกมนุษย์ ในมนุษย์โลกเทวโลกพร ม, มโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพระปัญญายานของพระพุทธเจ้าได้เทวดาพยาอินพยาพรมผู้ที่มีอินทร์บราลมีแก่กล่ามาฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจา้าก็ได้บรรลุมรรคผลถึงซึ่งนิพพาน เรียว่าเป็นกิจอันหนึ่งสอนเทวดาได้แต่คนสมัยนี้นั้นไม่รู้ไม่สิว่าไม่มีเทวดามันมีที่ไหนถ้ามีหลงตาก็เอามาให้ข้าดูสิความจริงเทวดาพยาอินพยาพรมมีแต่ว่าต้องมีหูทิพตาทิพจิตใจดีภาวนาได้ ก็จะเห็นด้วยกําลังจิตใจของตนผู้ภาวนานั้นหลังจากเทวดากลับไปสู่หอปราศาสตรลาดสมุนทินแล้วก็ยังมีกิจอีกกิจหนึ่งคือธรรมดาพระพุทธเจ้านั้นจวนจะแจ้งจวนจะสว่าง พระองค์ก็เข้าสมาธ <c oughs> ิเข้าสมาบัติแห่งเล่งในฌานว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายวันพรุ่งนี้ไทยเป็นผู้มีอินทร์บรารมีแก่กล้าพอจะโปรดจะสอนได้มีหรือไม่ถ้ามีก็จะมาปรากฏในสมาธิภาวนาของพระองค์นั่น ในสมาบัตในฌานนั้นเมื่อมาปรากฏแล้วตอนเช้าพรุ่งนี้ก็ไปโปรดไปสอนทั้งมนุษย์และเทวดาให้เข้าใจในธรรมปฏิบัติถ้าวันไหนไม่มีตอนเช้าก็โปรดสัตว์ในทางบินทบาตตามธรรมดา นี่เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจา้าทุกๆพระองค์เมื่อได้มาตรัสลู่แล้วในโลกก็ย่อมช่วยมนุษย์และเทวดาอินพรหมทั้งหลายให้เข้าใจในการประพฤติปฏิบัติให้เข้าใจในการละกิเลสความโกรธความโลภความหลงของตนของตนให้มันเบาบางหมดสิ้นไป เราทุกคนที่ให้นั่งสมาธิภาวนาก็ต้องการจุดนี้คือว่าปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสกิเลสนี้มันดองอยู่ในจิตในใจของคนเราทุกคนคนคนหนึ่งก็มีอาสวะกิเลสอยู่ในใจ ถ้าเราไม่ภาวนาไม่ได้สดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีทางที่จะได้บรรลุมรรคผลเพราะว่าทางไปสู่นิพพานอันเป็นสถานที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้จะต้องได้ยินได้ฟังจากพระโอษฐของพระพุทธเจ้านั่นอย่างหนึง่ง อถ้าผู้ใดสาวกองใดคนผู้ใดมีอินทร์บรารมีเกียกล้าเกียรยโยงถึงพระพุทธเจา้าเรียกว่าพุทธเวไนเป็นเวไนพระพุทธเจา้าบุคคลผู้นั้นพระพุทธเจ้าเทศนาธรรมอย่างเดียวจึงตั้งใจ ทำความเพียรละกิเลสได้พระองค์ก็เทศสอนพุทธเวไนยถ้าหากว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายเป็นสาวกเวไนยพระสาวกเจ้าทั้งหลายมีพระอรหันตาเป็นต้นเทศนาสั่งสอนก็ยอมฟังเลื่อมใสศรัทธาปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสได้ นี่เป็นธรรมเนียมในทางพุทธศาสนาเพราะว่าความละเอียดอ่อนในการปฏิบัติบูบชาภาวนานั้น <c oughs> ถ้าไม่ได้ยินได้ฟัง <c oughs> เข้าใจไม่ได้ยึงมีระเบียบธรรมเนียมนั่งสมาธิภาวนาหลับตาเนกพุทโธพุทโธในใจ เพื่อจิตใจจะได้สงบตั้งมั่นเป็นหลักฐานพยานอยู่ในใจของตัวเองทุกๆคนการปฏิบัตินั้นถ้าหากว่าจิตยังไม่สงบจิตยังไม่ตั้งมั่นเชียก่อนก็ไม่มีทางที่จะ <c oughs> <c oughs> ได้บรรลุมรคนเพราะอะไรก็เพราะว่าจิตคนเรานั้น เหมือนไฟฉายธรรมดาไฟฉายนั้นเวลาเราบีบเซลล์มันแล้วนั่นก็ส่องไปข้างหน้าเจีตใจมนุษย์คนเราก็เหมือนกันกีลดความโกรธกีลดความโลภกีลดความหลงมันพาให้เป็นไป ไม่ได้เพ่งมองมาดูกายวาจาจิตของตัวเองอำนาจกิเลสนั่นแหละมันพาเข้าป่าเข้าลกวุ่นวายไม่สงบประงับตั้งมันเวลาอยากบดก็ร้องให้น้ำตาไหลเวลาอยากศึกก็ร้องให้น้ำตาไหลคือว่าไม่ตั้งใจภาวนาจริง ถ้าตั้งใจภาวนาจริงๆรวมจิตรวมใจของตนเข้ามาทุกลมหายใจเข้าออกแล้วไม่ประมาทรวมจิตใจของตนได้ทุกคนจะต้องได้บรรลุมรรคผลถึงซึ่งนิพพานได้เพราะว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังปรามังสุญญ นิพพานนั้นไม่ใช่อยู่นอกฟ้าป่าหิมาภานไม่ใช่อยู่ต้นไม้ภูเขาไม่ใช่อยู่ที่น้ําที่ทะเลบนฟ้าอาวกาศก็ไม่มีนิพพานมันอยู่ในใจมนุษย์ใจเทวดาอินทรหมนี่เองเราทุกคนก็มีนิพพานอยู่ในใจแต่ว่าการปฏิบัติ ดีปฏิบัติชอบยังไม่พร้อมมูลบริบูรณ์จึงยังไม่รู้ไม่เข้าใจอาศัยอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะมันบันดลนบันดาลให้เป็นไปอยู่ตลอดเวลาเจตใจจึงมีแต่ความท้อถอยไม่กล้าหนะ้า เพียงแต่ว่าความเจ็บปวดทุกเขเวทนาเมื่อชาเกิดขึ้นในร่างกายสังขารเจตกิเลสมันก็มายึดมาถือใส่แล้วมายึดว่าตัวเราเจ็บตัวเราไม่สบายอย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้จักปล่อยวางผู้ภาวนาจะให้ถึงซึ่งมรรคผลนิพพานต้องรู้จักปล่อยวาง ันว่าเรื่องราวอะไรที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วก็ไม่เก็บมาคิดนึกถ้ามันยุ่งสมองยุ่งใจภาวนาพุทโธอยู่ในดวงใจฮะมันแน่วแน่มั่นคงโยภายในนี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นจุดที่เราจะต้องรวมจะต้องสงบก็คือว่าคำว่าจิตคำว่าใจนั้น มันมีอยู่แล้วไม่ใช่เรามาสร้างจิตสร้างใจให้เกิดมีขึ้นดวงจิตดวงใจนั้นเป็นธาตุนามธรรมมีอยู่ในตัวมีอยู่ในกายวาจาจิตของเราทุกคนท่านให้ชื่อว่าจิตผู้รู้อยู่ดวงจิตผู้รู้โยนี่แหละเมื่อพระองค์ตรัสในขันหะโลกหมายถึงตัว เวทนาหมายถึงดวงจิตสัญญาหมายถึงสังขารจำหมายสังขารหมายถึงปลงแต่งวิญญาณหมายถึงรูทั้งเจียงเนี่ยแหละเมื่อรวมเข้ามาให้น้อยให้สั้นก็คือว่าจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่และสังขารใจที่มันพาให้หลงให้ลืมอยู่ จิตสังขารในใจนี่แหละมันปรุงออกไปแต่งออกไปแล้วจิตใจนี่ก็ไปตามสังขาร น, นั่นความจริงพระพุทธเจา้าทรงตรัสว่าจิตสังขารปรุงแต่งท่านไม่ให้ตามมันไปอย่าปรุงอะไรต่อไม่อะไรก็แค่เข้ามาโซจิตใจดวงทีู่้อยู่คำว่าู้โยนี่มันเมีอยู่ตลอดเวลา ร้อนกระทบกายก็รู้หนาวกระทบร่างกายก็รู้ตาดูเห็นรูปมันก็รู้หูฟังเสียงก็รู้จมูกดมกลิ่นเหม็นหอมก็รู้รสอาหารผ่านเล่นมันก็รู้เจ็ดนั้นคือว่าผูดรู้อยู่ตลอดกาลผู้ภาวานาท่านก็ลูมสงบ ตั้งมั่นลงไปที่จิตดวงผู้รู้อยู่นี่เองดวงจิตผู้รู้นี่ไม่ได้ไปที่ไหนสังขารจิตตัางหากมันไปโน่นไปนี่ปรุงแต่งคิดนึกอะไรต่อมิอะไรส่วนจิตใจดวงดั้งเดิมมันรู้อยู่ทางนี้เองจองทวนกระแสเข้ามาสู่ดวงจิตดวงใจดวงที่มีความรู้อยู่ตั้งมั่นลงไปที่นี่ <c oughs> จนเห็นแจ้งว่าในจิตใจดวงที่รู้อยู่นี่เท่านั้นที่จะต้องรวมจะต้องภาวนานอกจากจิตใจดวงที่รู้นี่ออกไปจะคิดไปข้างหน้าไม่มีที่สิ้นสุดก็แค่นั้นแหละจะคิดไปข้างหลังไม่มีที่สิ้นสุดก็แค่นั้น เมื่อมาทำความเปียนเพ่งโยในจิตใจดวงที่ลู่โยในปัจจุบันขณะนี้เวลานี้ให้ได้ทุกลมหายใจสิ่งอื่นใดนอกจากจิตใจดวงที่ลู่นี้ออกไปทั้งหมดทั้งมวลอนิจจังไม่เที่ยงทั้งหมดนั่นแหละหลงไปก็เป็นทุกข์เปล่าๆเรียกว่าทุกขัง หลงไหลมัวเมาไปก็ไม่ได้เรื่องจงมาทำความแจมแจ้งในใจว่าดวงใจที่รู้อยู่ที่นี่ก็รวมอยู่ที่นี่สงบอยู่ที่นี่เห็นจิตใจที่หลอกลวงสังขารทางหลายนั้นไม่เกี่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรที่จะมายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราอยู่เลย เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกเป็นอนาตตาขึ้นชื่อว่าสังขารทางหลายมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งโลกทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุท้งหลายมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเต็มโลกนี่แหละผู้ปฏิบัติธรรมผู้ใดโอปนยิกธรรม น้อมเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามาตั้งมั่นอยู่ในจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่สว่างแจ้งอยู่ในอกในใจเอาจิตใจดวงนี้ให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ในตัวในใจจิตใจก็จะเย็นสบายนั่งก็สบายภาวนาอยู่นี่ยืนก็สบายเดินไปมาที่ไหนก็สบาย นอนอยู่ก็สบายตื่นขึ้นก็สบายเพราะจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี้ภาวนาอยู่ไม่หลงไหลไม่ติดข้องปัว พ, พัน์อยู่ในกิเลส ข, ของโลกเมื่อเราทุกๆุกคนเข้าใจแจ่มแจง้งชัดเจนภายในจิตใิของตนกลงนี้แล้วการปฏิบัติภาวนาก็จะไม่ลุ่มลุมดอนดอน จะภาวนาได้เรื่อยไปอยู่ที่ไหนก็ภาวนาที่ใจนี่แหละไปที่ไหนก็ใจนี่แหละพาไปนั่งสมาธิภาวนาก่อนหนในใจเอาใจิตใจดวง ใ, ให้มีความต้านไม่วันไหวทําใจเดียวให้เป็นเอกคิตตังเป็นจิตเดียวให้เป็นใจเป็นเป็นดวงเดียวภายในที่เลตมานสังประมาณมากน้อยเท่าไร เราไม่ทันไปลากให้หมดสิ้นยังจิต ด, ดวงผู้รู้อยู่ตัวในใจนี้ให้ผ่องใสสะอาดให้ยึดมั่นถือในชาติในตะกูลในตัวตนในเราในของของเราไม่ให้ใจหลงไหลไปติดปัวพันใดๆตกทรัพย์ชิ้นทองวัตถุ ข, ของที่มนุษย์คนเรายึดมั่นถือมั่นอยู่นี่ เป็นสมบัติของแผ่นยังไม่มันกอดจมผดินอยู่นี่แม้เราตายลงเมื่อใดเวลาดัดวัตถุเข้าทับชิ้นเงินทองจมเป็นดินได้ปั้นร่างกายเ่าทุกคนก็ทับถมซึ่งแผ่นเอาไปนะเพราะว่าสมบัติเรานี่ได้ขึ้นมาแผ่นดินเ็่หมดกำลังแล้วจมแผ่นดินอยู่นี่ ผู้ปฏิบัติกรรมาฐานในทางพุทธศาสนาจงรวบรวมกรรมจิตใจของอให้เข้ามาตั้งในจิตใจดวงที่รู้อยู่ปัจจุบันขณะเยลานี้เท่านะั้นชายนอก อ, อกไปไม่ไปเกี่ยวนวงเหนียวเห็นมันเกิดได้มาเกิดแต่ลายได้ไม่มีอะไรเกี่ยงแท้แน่นองยืนเป็นอยู่อย่างตลอดไปเพราะในโลกนี้ นิจังคือคอยเที่ยงทั้งโลกทุกครั้งมายึดถือเป็นทุกบิดในใจในแหละอานตาตัวไม่ใช่ใครไม่ตัวเราไม่ใช่เจิจหลงยึดเอาเท่าต่างหามาทำเทียนเพ่งอยู่ในจิตที่รู้อยู่นี้มันก็รู้กายรู้ใจของตนอยู่ยืนก็รู้กายใจของตนอยู่ เดินไปมาที่ก็รู้กายรู้ของตัวอยู่ตลอดนอกจากคิตใจนี้ออกไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาตาทั้งโลกไม่ต้องไปลุ่มหลงมัวเมาอีกต่อไปจิตดวงนี้ก็จะตั้งมั่นลงไปความมืดก็จะค่อยหายไปความรู้แจ้งแทงตลอด ในธรรมปฏิบัติก็จะสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาในจิตใจของเราทั้งหลายนี่แหละฉะนั้นการปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ว่าเราจะอยู่ในเพศพันวันนะใดก็าตามให้ตั้งใจลงไปที่ตรงนี้ให้สงบประงับอย่าได้หาไปที่อื่นหาไปที่ไหนก็ไม่เห็น ต้องทวนกระแสะเข้ามาสู่ดวงจิตดวงใจดวงนี้แล้วก็จะได้หมดการหาตัณหาก็จะไม่มีจิตใจก็จะมีแต่ความสงบสุขเยือกเย็นในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมทวนด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการละเจน สพัพพตโยวิวัตชันตุสัพพโลโคโวินัสตุมาเตภวัตตวันตรโยสุขิติคายโกภวะอภีวาธนาสีริชนิจังวุธาปาัญญโนจตารุธรมาวทันติอายุวันโนสุขงังภาลังพระพุทธเจ้า ท่านตัดไว้ว่าเสนาสนสปายยะที่อยู่ที่ภาวนาเป็นที่สบายหมายถึงเป็นที่วิเวกเงียบสงัดเยือกเย็นไม่มีอะไรพุกพานท่ามผ้าปลองนี่ก็เป็นเสนาสนะเป็นที่สบายแห่งหนึ่ง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 กิเลสความโกรธนี้มักจะเป็นหัวหน้าอยู่ในใจทุกๆคนเมื่อไม่พอใจอย่างไรจิตมันก็คับแค้นแน่นใจขึ้นมาเรียกว่าโทสะโทสะนี้จะเลิกละได้ก็อยู่ที่ภาวนาการภาวนานั้นก็ให้ระลึกถึงพระ บรมมาศาสดาจารย์ของเราในวันที่พระองค์จะได้ตรัสรูพระองค์มีความสามารถอาจหารในการปฏิบัติธรรมพระองค์ละลึกได้ว่า ได้ลัทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าทีปังกรแล้วว่าออกสีอสงไขยข้างหน้าก็จะได้มาตรัสเป็นพระพุท ธ, ธเจ้าในโลกพระองค์เส ด, ด็จออกบวชได้หกพันษา สเสด็จลงมาภาคกลางประเทศอินเดียเมืองแคนจังหวัดนั้นให้เชื่อว่าจังหวัดพุทธคยามีต้นลุกขโมลต้นหนึ่งภายหลังพระพุทธเจ้าได้นั่งตัรูลที่นั่นคนทั้งหลายนับตั้งแต่เวลานั้นมาก็ให้เชื่อว่า ต้นไม้โพคือพระพุทธเจ้ามาตรัสถิยานบริบูรณ์ในลุกกโมวล่มไม้ตนนี้เมื่อมาถึงต้นไม้นี้แล้วพระองค์ก็รู้สึกมีความปีติยินดีในต้นไม้ตนนี้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 ยังตัดสั่ไม่ได้เมื่อพระองค์รวมจิตใจลำลึกถึงค้ำพยากรของพระพุทธเจ้าที่ปังก่อนอยู่ก็ได้ความขึ้นมาในนาพระทัยใจพระพุท ธ, ธ อ, องค์เองว่า การที่จะตัดสูลเป็นพระพุทธเจ้านั้นถ้ายังไม่สละชีวิตให้เป็นทานเมื่อใดยังตัดสโลไม่ได้เรียกว่าเป็นพระธรรมนเม็ดรปรากฏการขึ้นมาในน้ำพระทยใจพระพุทธเจ้าเมื่อ ปรากฏการเช่นนั้นพระองค์ก็ล้ำลึกขึ้นในใจของพระองค์ได้ว่าการสละชีวิตให้เป็นทานสละชีวิตแลกเอาพระโพธิยานนั้นก็ได้แก่การนั่งขัดสมาธิพระองค์จึงเข้านั่งขัดสมาธิ ใต้ล้มไม่พอเง้าไม่โพนั้นในเคืนนันเป็นวันเดือนหกเพนพระจันทร์เต็มดวงเมื่อพระองค์นั่งผินหลังให้ต้นไม่โพก็นั่งคัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย เอามือพระหัตข้างขวาทับมือข้างซ้ายพระองค์ตั้งกายให้ตรงเหมือนต้นไม้โพและก็ตั้งสัตยาธิฐานลงไปว่าพระองค์ได้นั่งตั้งสัตธิฐานอย่างนี้แล้วก็มีกำลังจิตใจแข็งแกร่งขึ้นมา ไม่ทอแทอ่อนแอในหัวใจเมื่อนั่งเสร็จเรียบร้อยพระองค์ก็ลำลึกอีกว่าจะเอาอุบายธรมอันใดหนอมาภาวนาจึงจะได้ตัดเป็นตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ความขึ้นมาในจิตใจของพระองค์อีกครั้งหนึ่ง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 นึกจะเรินอะไรก็ได้แต่ว่านึกแล้วจะเรินแล้วเอาให้มันได้ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ทำไม่ใช่ทำเล็กๆน้อยๆตั้งใจทำจริงๆและในเคินวันนั้นเองพระพุทธเจ้าของเราจิตใจก็สกงบรังนับตั้งมันเป็นสมาธิภาวนา เป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิสงบระงับเยือกเย็นในใจของพระองค์เต็มที่เมื่อจิตใจของพระองค์สงบแน่วแน่มั่นคงความรู้หรือว่ญญาณความรู้ในจิตใจของพระองค์ก็เกิดขึ้น หรือว่าปัญญาก็เรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นในจิตใจของพระองค์เพิ่มเติมจากลมหายใจอีกมองเห็นหลักอนิจจังขังอนัตตาที่ว่านามะรูปังอนิจจังนามเลยรูปนี้ไม่เที่ยง นา ม, มารูปังทุกขกอน <c oughs> <c oughs> นามในรูปนี้เป็นทุกข์ไม่ใสุ่กสบายเหมือนแต่เก่าก่อนมานา ม, มารูปังอมตานามในรูปนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราของพระองค์แจม่มแจ้งชัดเจน ไม่มีสิ่งใดที่จะมาเชี่ยมสอนให้จิตใจพระองค์หลงต่อไปอีกแม้จะเป็นในมนุษย์โลกนี่ก็ตามเทวโลกพร ม, มโลกที่ไหนพระองค์ก็มองเห็นว่ามันก็อนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งโลกไม่มีสิ่งใดจะมั่นคงต่อไปตลอดการได้ ในขณะที่เจ็ตใจของพระองค์สว่างแจ้งขึ้นมาว่าเป็นจริงในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเจตใจของพระองค์ก็ตัดกิเลสราคะกิเลสพอสะอันมีอยู่ในจิตใจให้หมดสิ้นไปในในเพตตาเดียวนั่นแหละ เมื่อตัดอารมณ์กิเลสเหล่านี้ได้เจตใจพระองค์ก็แจ้งใสสว่างเรียกว่าสว่างแจ้งหมดไม่มีอะไรที่จะมาปิดบังเจตใจพระองค์ก็เรียกว่าตรัสโลพระอนุตตรสัมมาสัมโพธยาด้วยการสละชีวิตแลกเอา คือพระองค์นั่งภาวนาข้างนี้เป็ น, นข้างสุดท้ายถ้าเกิดว่าภาวนาตัดกิเลสไม่ได้พระองค์จะไม่ลกุกจะยอมตายในที่นั่งนี้แต่บังเอิญกิเลสลาคะโภสะโมหะโซน้าพระไทยใจพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็เลยดับไป อันเราทุกคนมาโซสถานที่วิเวกอย่างที่เรานั่งภาวนาฟังธรรมอยู่ในเดี๋ยวนี้ก็ให้พากันตั้งใจลงไปอย่าให้ใจของเราท่อแท้อ่อนแอมักง่ายให้ใจมั่นคงเหมือนแผ่นดินคือไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ใดๆ ทุ ก, กลมหายใจเข้าออกมองเห็นชรลาพยาธิมรณะเต็มกายเต็มใจอยู่ทุกวันเวลาเอาจนจิตใจเราทุกข์นมั่นคงหนักแน่นลงไปให้ได้ตั้งแต่คืนนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปแม้เราจะลุกจากที่นี้ไปก็ตั้งใจมีสัจจะอธิษฐาน ในใจของเราให้มั่นคงไม่ปล่อยให้หลงไหลไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสอีกต่อไปนี่เป็นอุบายภาวนาโดยย่นย่อพอเป็นข้อปฏิบัติที่เราจะต้องตั้งอกตั้งใจประกอบกะระทมให้เจริญก้าวหน้าในทางพุทธศาสนา ดังแสดงมาก็สมควรแก่กาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละชนีสัพพิโยวิวัตฉันโตสัพพะโลกโควินาชะตมาเตภวัตวันตราโยสุกิธีคาอยู่โกภะ อะพิวาธานาสีริชนิตยังวุธาปั จ, จาญิโนจ ต, ตาโรโอธรร ม, มาวทันติอายุวันโนสุขังพาตละ